ปัจจุบันกจิตปัจจุบันธรรมก็คือปัจจุบันนั่านเอ๊ะจะซึ่งความสงสัยตอนไหนๆเปัจจุบันนกจิตปัจจุบันนัธรรมไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่จิตอนาคตถ้ารวมลงมาในปัจจุบันเนี่ไปชึกขารวมลงมาในปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันกจิตปัจจุบันธรรมไปชี้ขาของพระโชัิธตรมไปชี้าสัพพะทาการไปชี้ขาอนาคาการไปชีกขาผลานจะเอามาเทียบกันไม่ได้ เขามียิ่งยองความกันปัจจุบันก็งั้นกันปัจจุบันพระโสดาราบปัจจุบันพระปฐาการปัจจุบันพระอนาคามปัจจุบันพรารปัจจุบันพระสกจิตปัจจุบันพระสมัยพระพุทธเจ้าจะเอามาตีเสมอกันไม่ได้บาท่านก็บอกว่าพุทโธพุทโธแปลว่าพุทโธไม่ขยายพุทโธออกพูกฟังก็ไม่ชนิดู้ทูธพระสมัยพระพุทธเจ้าก็ทขั้นที่หนึ่งพระสกจิตรขั้นที่สองอัธฐานกิรณาศพขั้นที่สามปฐมาณาคามีขั้นที่สี สักคาถาหนึชั้นที่ห้าโสดาวันชั้นที่หกเอาผู้รู้ไปตีเสนอกันมันก็ไม่ถูกหรือพ่ออีแม่เออเอวังเอาละสิพูดขนาดนี้ก็ยังจะมีที่แจงอยู่ก็ไม่ผมก็ไม่ยอมเหมือนกันกรเริน ทุกวันนี้เขาบอกว่าจะโลกเจริญแล้วพวกคุณเห็นด้วยไหมผมมาเห็นผมมาเห็นด้วยจเจริญแต่กิเลสนั่นเองธรรมะไม่เจริญกิเลสเจริญมากเครื่องส่งเสริมกิเลสทีน่นี้พระรุตตวายกาพูดคำหยาดสัมผัสปราปะพูดเทอเจอมีคําหนึ่งจะให้ผมพูดไหม อย่าหาว่าผมพารุษะวายการเพูคำหยากสัมผัสปะลา ะ, ะพูดโปรเจอเนอร์ฆ่าว่าโรคเจริญผมมีเคยแยกนี่เขาแยกยังไงจากสีเอสื่านมันทำอันไม่ดีไม่ได้กันแยกมันไม่ฆ่ามนุษย์ฆ่าเลยนั่นหรือโรคเจริญนั่นหาือปเลย คงกันแล้วก็ะพิบปากเลยนั่นนั่นหรือโรคเจริญเอวังอ่ะเี้ยถูกไหมความยินดีทั้งปวงเป็นห่วงบุตรธิดาเกรงว่าจะปฏิบัติไม่ชอบธรรมพระบรบมศาสด า, า, าเป็นห่วงพระาดีบุตรตรงเงเป็นห่วงในพระลาหุนตรรงว่าจะหมุนไปทางโลกใช่ไหมพวกนักธรรมอิฟังแตกฟางเลย เูกไหมไปไหนวันนี้ะโอ้แล้วก็ต้องสามชั่วโมงใช่ไหมเนี่ยือ ค, ครับพระโพธมโหสโครพระโมโหสถโคพระโพธิมโหสถโคย้ายตำแหน่งนี้ออกจากโลก่อกให้เขามาเกิดแทนพวกเราพวกเราเมื่อใด้โลกเราก็ต้องหนีจากโลก อย่ามาขวางโลกอยู่นี่พวกเราตายแล้วเข้าสู่พระนิพพานซะปล่อยให้เขามาแทนเราพวกที่เขารอจะทำหนียงพวกเขารอทำเนีงจะมาแทนพวกเราก็มีอยู่แต่พวกเราก็ต้องอย่าเป็นกังวลในโลกทั้งปวงเข้าสู่พระนิพพานซะปล่อยให้คนอื่นเข้ามาแทนว่าสัตว์ทั้งหลายมันจะมาแทนพวกเราอยู่นี่พวกเรามายัดเยียดอยู่โลกนี่เขาก็มาไม่ได้นะถูกไหม นี่เรียนวิชาความเบื่อหน่ายในโลกพระพุทธศาสนา nah. พระพุทธศาสนา nah, เรียนความวิชาเบื่อหน่ายในความหลงของตน <c oughs> เรียนวิชาความเบื่อหน่ายในหลงของตนหลงตาหลงหูหลงจมูกหลงลิ้นหลงกายหลงใจเบื่อตาเบื่อหูเบื่อจมูกเบื่อลิ้นเบื่อตายเบื่อใจอันนั้นเป็นบุคลาธิษฐานเฉยๆอาจจะแท่เบื่อผู้ไปหลงตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขานั่นเองไป มันชุกประชุกพุโทโธระโมสกโก อ, อา่ะมันเกิดแก่เก็บตายอีกลูกลหลานเอ๋ยไอ้เ็สไอ้หลาพเนี่ยยงไม้ท่าเเคสหลาได้อยุ้นมามั่นกับขันบุวงละเมิดขมีสิตัวเดียวอยู่ที่ดวงใจข น, น, น, น, น, น, นบุวงละเมิดเมรัพานนีแต่ว่าเว้นแล้วชี้าประทางสมังเหนยนี้เป็นชีข้าวดหนึ่งอยู่ที่ใจ ตลาอลาทิตาตาแล้วกห้ามเมื่อรำมณีแว่นแล้วที่ขาประทังสมาธิอนนี้เป็นที่ขั้วหนึง่งถ้าเราจะเอาเวิรัติจิตแล้วก็บอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ค่าสารรักทับประพฤติในกามและดื่มตุวราเลยแล้วพูดเท็จไม่ฆ่าศัพท์ไม่รักครับไม่ประพฤติในกามแล้วพูดเท็จไม่ดื่มสุราไม่อะไรให้โรคลาคอลงไปมันก็เป็นทีนั่น ที่นี่อาทิตย์สมุดรับแต่รับอ๋อ บันโดบันโโยาวะมรนาาิวริโตวิโนายาเนปัาิามมวิโตวิโนายารเนะ ในประคำชายก็บอกว่าข้าพเจ้าขอศีลกับช่างไตจรจารนาค ม, มควันนีน้จงปฏิจารณ์ ไตรภาคภูมิขอสีขอไตรภาคภูมิและสีขอทุกสิ่งอ้ที่แค่สีกว่าดีไตรภาคภูมกิกวเองเราเอาเองก็ได้แต่าทาเพื่อให้ค้องกันเฉยเพื่อเป็นธรรมเนียมให้ผูกอะทรู้จับในอนาคตนโมนโมแปลขอร่ำน่ำน อ, นเนอนมเลยพระพุทธเนี่ก็อาลัยตักนมาทาพุทธเจ้าพงนั่นเลว่าอะไรัน ว่าสามโนกขอน่อมสามโหนละโมว่าสามโนกขอนอมสามหนเนี่เขาว่านโมก็แ่ขอ่มเลยพวกภาเจ้าและหันจัสมาพุภิเจ้าโฮงนั่นว่าสามหนก็คบสามหนต่อแพ่ก็พบ ท, ทางธรรมะสามขั้งทุปติยติถึงใตสังคมทึกสามั้นก็ไม่ว่าแต่สามขัน้นถ้าเท่าข้าสู่พระ้าพเจ้ ว่าเพื่อเป็นแบ บ, บสำหรับสาหรับเหมาะกับเวลาเฉยๆไอ้แท่ก็ถึงว่าพูดเื่อทำประสงคาตท้าราข้าสู่ในฟารัาเองมาไถึงสามข้าง <c oughs> นะโมทัสสะนะโมตาาโรูระต ส, สัม ม, า, า, ม, ม า, า, า, สาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนะโมตูระตสัมมาสัมพุทตะทัมมสสะ บททางสระนังขจามิธรรมสระนังขจามิสร้างขังสระนังขจามิบทียมพีบททางสระนังขจามิบทียมพีธรรมสระนังขจามิบทียมพีสร้างขังสระนังขจามิ ตัดทียัมพีฟุดังสนนังขจ า, ามีตัดที่ยัมพีสามังสนนังขจ า, ามีตัดที่ยัมพีสรสางหางสนนังขจ า, า, า, ามิสนนังกำานังนเนทีตังลบบริบูรณ์เพียงตอนนี้จะว่ามันยังค่ำกระจกบริบูรณ์บริบูรณ์เพียงตอนนี้ ปนาติปาตาเวรมณีสิกขาปะรังสมาธิยามิอทินนาทานาเมรมณีสิกขาปะรังสมาธิยามิกามีสิม <Liberty> ิชฌาจาราวิรมณีสิกขาปะังสมาธิยามิ มูซาวาทาวีรัมณีศิะทาสมาธิามีตูรามีเรยามันชัพมาสทธานาวรณีศิขะพะทางสมาธิมีมาเปัญชศิขะพะทางอิสิเรลสุขสิงห์อิสิเรลภูเขาสัมปท ที่รนเจปุติังการดีตัตมาที่ทรลังวโสทะยีสีนกําจัดกิเลสอย่างยาบสมาธิกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากําจัดกิเลสอย่างละเอียดที่นอนเนืองอยู่ในคันทะสันดาลนี้หังโรกอนุโสโรศีนเป็นเยี่ยมในโรค นี้นะ่านโทอนุตโตกินของขี้นอย่ทวนลมไปย่อมทวนลมไปทําไมจึงอาบน้ำทางบังสกบุกทำไมจึนปฏิบัติขี้นทําพราจิตในสกบุกความสอนใดใาในใจหัวเท่าเป็นเมืองเพื่อนความสอนในพุทธศาสนาหมดเพราะพุทศาสนาเป็นปิญญาอีกชั้นที่หนึ่งของโรคทุกยุคทุกสมัยด้วย ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในดวงใจชาวโลกก็ตั้งอยู่ไม่ได้ทะเลาะกันวุ่นวายกันฆ่ากันถ้าว่าชาวโลกไม่ชนาบอิตูนนับแต่รูดียังสาเจ็บฟรีไปส่วนที่บ้ า, บาว้เสียชีวิติดมนุษย์ก็ยกคว้ยซักสงครามก็มันมีตารวจทหารก็มามี คนแก่ก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้านี่อพ้นก็ไม่ต้องมีรือนจำมันก็ไม่ต้องมีคดีดำคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่มีมีกฎหมายก็มีเสถียงกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรหรือก็ประมาณหรืออะไรอะไรตอนนั้นนอนก็ไม่สช่ลูกะวัติเพราะไม่มีเรียนอยู่รอบข้าง กฎหมายก็ไม่ต้องตั้งมากถ้าจิตใจไม่มีศีลไม่ทำจะตั้งไว้กี่ล้านล้านมันก็ไม่อยู่ทําความผิดใที่แจ้งไว้แล้วก็ไปทำในที่รับเพราะพทธศาสานยายังยืนยันออกไปอีกว่าทำเป็นโรคบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวตะอบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ ถ้าโลกมันมียางอายตอบบอัตรไม่มีความกลัวตอบบอัตรแม้สิ้นห้ามันก็มาอยู่อีกเหมือนกันที่สิ้นห้าไม่อยู่เก็เพราะไม่มียางอายต่อไม่มี ค, ความกลัวตบบับนั่นเองบทธรรมของพุทธศาสน า, ศามีอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาของโลกด่วยพระพุทธเจ้ามาสี่นั้นล้านพระองค์ก็มาสอนคำเดียวกันมาเป็นยุคยุคยุคยุคยุคห่างกันตั้งนั้นล้านปีกว่าจะ ก็มาสอนคำเดียวกันเลยไม่ได้ลบล่างพอร์บอกรันไม่เหมือนกฎหมายกฎ <g ots S 1> หมู่กฎพักกฎพวกของชาวโรกต้องตั้งขึ้นบ่อยๆเพราะกิเลสมันมีบ่อยๆมันปีนเกลียวบ่อยๆก็ตั้งขึ้นบ่อยๆผู้ตั้งกฎหมายให้ก็คือผู้มีกิเลสเรารีๆนี่เองอันพาาราสมัยพรพุทธเจ้าไม่มีกิเลสเลยไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมจึงว่าธรรมมาเิปไตยไม่ใช่ประตาประชาเทปไตย ไม่ใช่โลกาทีปไตยไม่ใช่อัตกาที่ปไ <c oughs> ตยความเียนตนเป็นใหญ่ไม่ใช่ราชาทิปไตยเอาพระราชาเป็นใหญ่เอาทัพเป็นใหญ่ม <c oughs> ีนั้นพระบรม ศ, ศ, ศาลาจึงเคารพทำถ้าทําให้มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถจ ะ, จะรู้ทาได้ทํำมีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้มีนั้นเราจึงเคารพทำไม่สําคัญตัวว่าอยู่เหนือธรรมเลย ตัทธมขลกาตัพโผล่ตัพโผเป็นคำภาษาว่าสังโยคถ้าเป็นพระวาพรเป็นภาษามคตตัวคอฟานก็เปลี่ยนเป็นตัวบอเป็นบตัอระคังตัอตัอควายก็เปลี่ยนเป็นตัวบอไม่ใช่ตัวอตัวบอตาษามกตตัวอระคังขา กระแทกร่มออกใส่กระอาก็ผ่าตัว้าวเขาเท่ากัากกนกระแทกล่มออกเียบังสังวัดอาหิ น, น, นา่ามากดแต่ ว, ว่าเราไม่ไดเ้เกิดในเมืองมคตดเราเกิดในเมืองลาวเมืองไทยก็ต้องพูดไปทำภาษาของส่วนเพื่อให้เข้าใจชัดคําัอนใ์ใดๆก็ตามเทิด เมืนเวรขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาหมดขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมจะขอจากศาสนาใดลัทธิใดก็ขอจากพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาบัญญัติถูกสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็บอกว่าเป็นสิ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์คือเป็นบุญสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็บอกว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คือเป็นบาปผู้บัญยัติว่าบุญคุณโทษถูกพระพุทธศาสนาเท่านั้น เลือนอกนั้นบัญญัติเข้าข้างตัวบ้าบัญญัติเข้าข้างพักของตัวบ้าเพราะมีกิเลสผู้มีกิเลสมากามาก็บัญญัติเข้าข้างตัวมากและพักของตัวมากไม่เหมือนพระพุทธศาสานะพาพระพุทธศาสน า, าสอนโลกทุกยทุ ก, ทกสมัยโลกพระพุทธรูปผู้รู้แจ้งโลกวิสาธรรมศาสตร์ฤทธิสัทธาเทวมนุษสานังเป็นผู้สอนของเทวนาเรมนุษต่างหาก ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยถ้าเป็นนักวยเอกพระพุทธศาสนาก็เป็นเอกที่สุดเอกจนไม่มีชิ้เหตไม่ใช่เอกตาดีอ่อนัญญตัตอะไรอะไรมาเข้าข้างตัวเข้าข้างธรรมตรงไปตรงมาเลยไม่มีคอรับท่านล้เอียงเพราะความรักใครกันเรียกฉันทากติไม่มีในทางพุทธศาสนาพุทธศาสนาแท้ ส่วนพุทธศาสนาปรอมก็เป็นเรื่องของผู้ปรอมส่วนพุทธศาสนาแท้ไม่มีลำเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกสันทาสติําเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสาสติําเอียงเพราะกลัเรียกขยาสติลาเอียงเพราะเขาเรียกโมหาสติและสติสี่ประการนี้ไม่มีในพุทธศาสนาเลยยกตัวอย่างลำเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกสันทาคติคืออะไรรักมันกําหนัดรักมัน มันจะทําผิดกับเพียงไหนก็ตามก็ไม่ต้องทําโทษมันก็ต้องเลี่ยงมันไว้เรียกว่าสันทารคติรังเกียบมันเรียกรังเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสากติมันจะทําถูกทําถูกวินัยสักเพียงไหนก็ตามรังเกียบมันไม่ให้คะแนนมันเรียกโทสาคติเรีแล้วเอียงเพราะเขาเรียกโมหะกติคืออะไรคือครบในเรื่องนั้นนั้นไม่แตก เพราะความโง่